Book two. 2ูหกสิบแปดชั้นเดซิตอีโอซัมใหญ่เล็ก k v ล l i ก o มา a ลใหญ่และเล็กลอมาลช้างตัวใหญ่ สลอนใหญ่หนูตัวเล็กมิชย์เล็กมืดและสว่างท่ามโนอิสวีทโลตอนกลางคืนมืดโนเช่ท่ามเน่ตอนกลางวันสว่าง ดานีสเวียโตแก่ชราหนุ่มสาวสตาร์อมลาดอคุณปู่คุณตาของเราแก่มากนัชดยเดียยาโคสตารเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม ก่อน70ปีบิโอเยยิ่งหน้าเกรี้ยบสวยและหน้าเกรี้ยบหลีปโอรูจนผีเสื้อสวยเล็บตุ่ยเยหลีปแมงมุมหน้าเกรียบป้ายรูน อ้วนและผอมเดเบโลอิมร์ชาฟว์ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนเจนาอด100กิลเลเยเดเบลลผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมมุชการัสอด50กิลเลเยมิร์ชาวแพงและถูก สกูปโป่ยี่ยฟติโนรถราคาแพงอัตโตเยสกูปโหนังสือพิมพ์ราคาถูกโนวินสูยี่ฟติเน